สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุตพระเยซูตอนที่สองร้อยสามสิบเอ็ดครับเรื่องคําอธิษฐานของพระเยซูตอนที่หกพระเจ้าของพระเจ้าในวันนี้นะครับอยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่หกข้อที่เก้าถึงข้อที่สิบสามให้เราท่องพระเจนะของพระเจ้าท่องคําอธิษฐานของพระเยซูนครับที่ตัดสอเราพร้อมกัน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 แต่ขออย่างนำข้าพระองค์เข้าไปในการทดลองแต่ขอให้พ้นจากซึ่งชั่วร้ายเหตุว่าราชจำนาจฤทธเดชและพระสิริเป็นของพระองค์สืบๆไปเป็นนิดอาเมนท่านครับอย่าลืมนะครับมีเจ็ดคำอธิษฐานวิงวอนหรือเจ็ดคำทูลขอที่ประกอบกันในคำอธิษฐานของพระเยซูเจ็ดคำทูลขอนี้ได้แก่ คำทูลขอแรกขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะที่สองขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ที่สามขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ที่สี่ขอโปรดประทานอาหารประจําวันที่ห้าขอโปรดยกบาปผิดของข้าพระองค์ที่หกข อ, อยังนําข่าพระองค์เข้าปในการทดลองที่เจ็ดขอให้พ้นจากซึ่งมารร้ายซึ่งชั่วร้ายพี่น้องครับเรา อยู่ในคําขอวิงวอนข้อแรกนะครับประการแรกก็คือขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะนะครับผมจะใช้เวลาวันนี้นะครับในการที่จะแรปอัพในส่วนที่เหลือของคําขอแรกนะครับวันนี้จนะพระเจ้าได้ทําให้เราทั้งหลายรู้ว่าพระเจ้าซึ่งเราเรียกว่าเป็นพระบิดานั้นทรงอนุ ญ, ญาตให้เราเข้าเฝ้าพระองค์ ได้ชนิดที่เรียกว่าทันทีเพราะว่าเราสามารถอธิษฐานได้ทุกที่อธิษฐานคุยกับพระบิดาของเราบนสวรรค์ได้ทุกที่เราอาจจะอยู่ในระหว่างพักผ่อเราอาจจะอยู่ในระหว่างขับรถหรือเราอาจจะอยู่ในห้องอาหารกำลังออกกำลังกายอยู่หรือกำลังทำงานบ้านอยู่ไม่ว่าที่ไหนครับเราสามารถอธิษฐานพระเจ้าพระบิดาของเรานั้นทรงอธิษฐานให้เราเข้า จงอนุญาตให้เราเข้าเฝ้าพระองค์ได้ทันทีครับไม่ว่าที่ไหนก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นคาอธิษฐานของเรานั้นก็จะเข้าไปอยู่ต่อเบื้องพระพักของพระเจ้าพระบิดาของเราอยู่ในพระที่นั่งของพระองค์คำอธิษฐานของเราแปลว่าอะไรครับแปลว่าเรากําลังอธิษฐานและคําอธิษฐานของเราก็เข้าสู่สวรรค์ทันทีครับขึ้นไป ครับเป็นเหมือนกับเครื่องบูชาที่หอมหวนที่พระเจ้าโปรดตานเมื่อเราเรียกพระองค์ว่าเป็นพระบิดาแต่เนื่องจากว่าพระเจ้านั้นทรงสถิตยอยู่ทุกแห่งผลพรงทรงอยู่ภายในอะตอมที่เล็กที่สุดเพราะว่าขปสิ่งทั้งปวงนั้นเป็นระเบียบอยู่ด้วยพระองค์และพระองค์นั้นทรงผดุงโรคไว้ด้วยพระดำรัสอันทรงฤทธิของพระองค์และพระองค์ได้ ได้กล่าวไว้นะครับถึงลักษณะของพระองค์ที่จะตอบคำอธิษฐานของเราในสดุิีบทที่หนึ่ง้อยสาสิบเก้าว่าพระองค์ทรงประทับอยู่ที่ไหนบ้างบทที่หนึ่ง้อยสามสิบเก้าข้อที่แปดนะครับผู้เขียนได้เขียนว่าอย่างนี้ครับถ้าข้าพระองค์ขึ้นไปยังสวรรค์ทรงทรงสถิตที่นั่นนั่นหมายความว่าพระเยซูได้กำลัง บ, บอกกับเรานะครับว่าพระบิดาของเราพระเจ้าพระองค์เดียว ของเราเนี่ยแหละนะครับทรงอยู่ทุกแห่งหนทรงทรงอยู่ทุกที่ครับไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนพระเจ้าฟังเราได้พระเจ้าอยู่ใกล้คุณใกล้ผมอยู่เนื้อคํามนิฐานของเราอยู่รอบตัวเราอยู่ภายในเราพระเจ้าสามารถที่จะได้ยินทุกสิ่งที่เราอธิษฐานแม่ว่าเราจะอธิษฐานไม่ออกเสียงหรือเราจะออกเสียงก็ตาม พระเจ้าประจักษ์ในความคิดของเราได้พี่น้องครับพระเจ้าองค์นี้เป็นพระบิดาพรงประจักษ์แจ้งในความคิดของเราได้พระองค์ทรงรู้ก่อนที่เราจะทูลขอสิ่อีกนะครับเราสามารถอธิษฐานทูลขอคําอธิษฐานของพระเยซูเมื่อเรากลัวเพราะว่าเราเหมือนกับเด็กใช่ไหมครับที่เราจะไปซบในพระสวงของพระเจ้าซึ่งเป็นพระบิดาของเราในสวรรค์ได้ทันที นะครับพระนามของพระเจ้าคือพระบิดานะครับที่พระเยซูทรงประทานแก่เรานั้นสําคัญครับและมีนัยะมากในขณะที่เราเข้าเร้าพระเจ้าในทุกๆวันเราจะเรียกตรงว่าคุณพ่อบนสวรรค์เรากําลังไปหาพ่อที่รักของเราโดยคําอธิษฐานที่พระเยซูทรงสอนดังนั้นข้ประเด็นกลับไปที่ผมอยากจะแบ่งปันก็คือว่า เมื่อเป็นเช่นนี้เราจึงสามารถมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับพระบิดาของเราซึ่งเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดได้พระเยซูทรงสัญญากับเรานะครับถึงเรื่องความสัมพันธ์ใหม่เมื่อเราบังเกิดใหม่เมื่อเราเชื่อพึ่งในพระเยซูเป็นความสัมพันธ์ชนิดที่เรียกว่าใกล้ชิดครับใกล้ชิดแบบลูกกับพ่อนะครับพระเยซูอธิษฐานอย่างนี้ใช่ไหมครับว่าเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ เป็นอันหนึ่งเดียวกันดังที่พระองค์คือพระบิดาทรงสนิตในข้าพระองค์และข้าพระองค์ในพระองค์เพื่อให้เขาเป็นอันหนึ่งเดียวกันกับพระองค์และกับข้าพระองค์ด้วยเพียจูหมายความนะครับว่าเมื่อเราอยู่ในพระเจ้าพระเจ้าก็อยู่ในเราครับและเรามีความเราสามารถที่จะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดติดติดสนิทกับพระบิดาของเราได้นี่คือสิ่งที่น่าปรารถนาที่สุดไม่ใช่หรอครับ เพราะความใกล้ชิดของเรากับพระบิดานั่นเองทําให้เราสามารถที่จะเรียกร้องนะครับร้องทูลพระองค์เรียกหาพระองค์ได้เพื่อที่พวกเรานั้นจะสามารถพึ่งพระองค์ข อ, ขอความช่วยเหลือจากพระองค์ได้โดยทันทีเวลาที่เราอธิษฐานนะครับว่าข้าแต่พระเจ้าผมได้บอกไปแล้วนะครับว่าแสดงถึงความสัมพันธ์ในระดับหนึ่งครับแต่ถ้าเราบอกว่าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ผู้ทรงเป็นเจ้าเหนือหัวเราก็จะหมายถึงอำนาจอธิปไตยปกครองของพระเจ้าที่อยู่เหนือเราพระเจ้านั้นเป็นมาสเตอร์หรือเป็นนายของเราเมื่อเราอ่านคาว่าเดียร์โรสหรือเจ้านายที่รักหรือองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพตรงแต่ถ้าเมื่อไหรก็ตามที่เราบอกว่าเดียร์ฟาเดอร์ซึ่งแปลว่าคุณพ่อที่รักผู้ทรงสถิตบนสวรรค์นั้นเรากําลังหมายถึงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนใกล้ชิด และเราจะได้รับทราบรับทราบรับรู้ถึงการดูแลของพระเจ้าการปกครองและความรักของพระองค์ที่หลั่งไหลเข้ามาในชีวิตของเราทีน้องครับเมื่อเราอาธิษฐานนะครับเมื่อเราเริ่มอธิษฐานเราจะรู้สึกเหมือนเป็นลูกเล็กๆของกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ครับเดินเข้าไปในห้องโถงของพระราชวัง เดินเข้าไปเพื่อที่จะเข้าเข้าพระบิดาของเราไม่มีใครที่จะสามารถห้ามได้ห้ามได้นะครับไม่มีเจ้าหน้าที่ระดับสูงคนใดจะขวางได้เพราะว่าเด็กคนนี้หมายถึงเรานะครับเป็นลูกของกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่เพราะความสัมพันธ์ที่ทั้งสองมีต่อกันพี่น้องครับอย่าลืมนะครับคำว่าอับบามีความหมายมากทีเดียวนะครับผมอยากจะกล่าวใน ประเด็นต่อไปนะครับก็คือคําอธิษฐานของพระเยซูนั้นเป็นเครื่องมือเป็นอุปกรณ์พิเศษในการเข้าเฝ้าพระบิดาครับถามว่าทําไมครับเพราะว่าเมื่อเรามีความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้าซึ่งเป็นพระบิดาของเราพระเยซูไม่ได้เรียกพระเจ้าว่าพระบิดาองค์หนึ่งนั่นหมายความว่าเรามีพระเจ้าองค์เดียวซึ่งเป็นพระบิดาของเราและเรามีคุณพ่อคนเดียวบนสวรรค์ น, นี้ นั่นแสดงว่าเรามีคําอธิษฐานนี้เพื่อที่เราจะเข้าใจพระเจ้าเพื่อที่เราจะรู้ว่านี่คืออุปกรณ์พิเศษหรือเครื่องมือพิเศษในการเข้าหาพระเจ้านั่นคือคําอธิษฐานที่เราจะทูลกับพระบิดาของเราพี่น้องครับถ้าเรากลับไปดูนะครับในขณะที่ตาวกของพระเยซูนั้นได้ คูนขอพระเยซูว่าขอสอนข้าพงษ์ทั้งหลายขอสอนพวกข้าพงษ์ทั้งหลายให้อธิษฐานพระเยซูก็เริ่มต้นด้วยว่าอธิษฐานนี้นะครับว่าข้าแต่พระบิดาแห่งข้าพงษ์ทั้งหลายดังนั้นเราจะเห็นว่าพระบิดาของเรานะครับไม่เพียงแต่ฟังลูกของพระองค์คนเดียวเท่านั้นแต่พระองค์สามารถที่จะฟังลูกของพระองค์ทุกคนได้ ลูกนะครับก็เปรียบเสมือนกับนิ้วครับอาจจะเท่ากันบ้างไม่เท่ากันบ้างนะครับนิ้วชี้มือซ้ายกับนิ้วชี้มือขวาเราก็คงเท่ากันแต่ในระหว่างมือนะครับระหว่างนิ้วนะครับในมือเดียวกันเนี่ยนะครับก็อาจไม่เท่ากัน แ, และด้วยเห็นนี้เองทําให้เรานะครับไม่ต้องอายนะครับไม่ต้องรู้สึกตะกี้ตะขวงใจไม่ต้องรู้สึกผิดแต่ว่าเมื่อเราเข้ามาเฝ้าพระบิดาขอให้เราเข้ามาเฝ้าด้วย ความถ่อมใจและความจริงใจครับแสาระห้าบาปนะครับเราก็จะมีสิทธิ์ในการเข้าเฝ้าพระเจ้าได้พี่น้องครับการอธิษฐานของพระเยซูนั้นเป็นเครื่องมือสําคัญนะครับที่เราจะเข้าเฝ้าพระบิดาของเราได้ผมอยากจะยกพระวจนะของพระเจ้านะครับในสองสามตอนด้วยกันนะครับการที่เราบอกว่าเราอธิษฐานตามแบบพระเยซูนั้นบางคนก็ถามนะครับว่า ทำไมไม่ลงท้ายด้วยในในพระนามพระเยซูนะครับเราไม่ค่อยเห็นใช่ไหมครับว่าใครก็ตามที่อธิษฐานตามแบบอย่างที่เยซูทรงสั่สอนเนี่ยนะครับจะต้องลงท้ายด้วยนามในในพระนามพระเยซูเพราะอะไรครับเพราะว่านี่คือสิ่งที่พระเยซูได้สอนเราให้อธิษฐานตามอย่างนี้นะครับเราก็ได้อธิษฐานตามพระเยซูอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นจึงไม่มีความจําเป็นที่จะต้องจบด้วยวลีในพระนามพระเยซูเพราะอะไรครับ เพราะว่านี่คือคำอธิษฐานของพระเยซูนั่นเองที่สอนให้เราอธิษฐานนะครับอันนี้เป็นประเด็นที่จะตอบคําถามพี่น้องครับแต่อีกประเด็นที่สําคัญนะครับก็คือว่าพระนะะพรเจ้าได้กล่าวไว้ในพระธรรมเอเฟซัสบทที่สองข้อสิบแปดนะครับบอกว่าเมื่อเรามาหาพระบิดานะครับพร้อมกับพระเยซูนะครับพระอาจนรย์พระเจ้าบอกว่าเพราะพระองค์นะครับเพราะพระองค์พระเยซูนั้นทรงทําให้เรา ทั้งสองพวกมีโอกาสเข้าเฝ้าพระบิดาโดยพระวิญญาณองค์เดียวกันเห็นไหมครับพระเยซูเป็นเหตุที่ทําให้เราสามารถเข้าเฝ้ามีโอกาสที่เข้าเฝ้าพระบิดาได้เห็นไหมครับกรรมอธิษฐานของพระเยซูก็เช่นเดียวกันครับก็คือทําให้เราทั้งหลายได้มีโอกาสเข้าเฝ้าพระบิดาได้แโดยคําอธิษฐานนี้นะครับซึ่งถือว่าเป็นคำอธิษฐานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสอนโดยบุคคลที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เพื่อขอบเขตที่กว้างที่สุดในการทูลขอพระเยซูได้บอกกับเราทั้งหลายนะครับว่าเราจะต้องอธิษฐานว่าข้าแต่พระบิดาแห่งข้าพงทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์นี่คือคาอธิษฐานที่เรียกง่ายที่สุดแต่ทรงอิทธิพลที่สุดครับเพราะฉะนั้นคำอธิษฐานของพระเยซูนี้จึงเป็นอุปกรณ์พิเศษในการเข้าเฝ้าพระบิดาของเราพี่น้องครับ ขอให้เราที่จะเข้าใจนะครับทราบซึ้งและเราจะสามารถนาไปใช้ในชีวิตของพวกเราทั้งหลายได้ทุกๆวันและวันละหลายๆครั้งเลยทีเดียวครับขอพระเจ้าอเยพรครับสวัสดี